ว่าด้วยการออกปากขอน้ำพึ่งปาติเทสนิยะสิกขาบทที่4ว่าด้วยการออกปากขอน้ำอ้อยปาติเทสนิยะสิกขาบทที่หว่าด้วยการออกปากขอปลาปาติเทสนิยะสิกขาบทที่6ว่าด้วยการออกปากขอเนื้อปาติเทสนิยะสิกขาบทที่7 ว่าด้วยการออกปากขอนมสดปาติเทสนิยศสิกขาบทที่8ว่าด้วยการออกปากขอนมเปรี้ยวสิกขาบทที่พิสดารในภิกขุวิพังย่อลงในภิกุณีวิพังกัถะปั ญ, ญติวาระที่หนึ่งจบ